ทั้งที่หัวกะทิด้วยกันหลวงพ่อวัดมันคิดได้ยังไงให้หลวงพ่อวานะเสียเงินประเทศชาติเสียเงินภาษีพวกเราแต่ทำไมถ้าว่าร่างขึ้นมาแล้วเนะ่เออมาตราอย่างนี้อย่างนี้ประชุมกันเจ็ดวันเอาไม่เห็นด้วยนะไม่โหวตมาเป็นระยะระยะไม่เห็นด้วยเอาไม่เห็นเเอาลงหนังสือคัดค้านขึ้นมาจดหมายขัดการข้าพรเจ้า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 สมัยผมเป็นเด็กผมผมเรียนเก่งนะเพราะว่าท่านจนเป็นด็อกเตอร์นะก็คงจะมีแววแววการศึกษ า, เ, าเรียนเก่งพูดเก่งอีกต่างหากก็เลยพ่อพ่อเลยถามเอต่าแก่ใหญ่แกเธอเธอนะ่แก่ใหญ่ขึ้นมาเธอจะเป็นอะไรจะทาจะเป็นตำรวจทหารพิภากษาเยาการจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นอะไรท่านด็อกเตอร์คนนึงสมัยเป็นเด็กผมเป็นจะเป็น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 นักการเมืองที่เก่งทำยังไงนักการเมืองที่เก่งนักเขาที่เก่งคิดต้องคิดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอย่างหนึ่งแล้วก็โพดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งโพดอย่างหนึ่งอันนี้แหละเป็นนักการเมืองที่เก่งกาจแต่นักการเมืองที่ดีคือคิดพูดทาอย่างที่ตัวเองทำแต่นั้นไม่ดังนะไม่ดังแต่สู้นักการเมืองที่ คิดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไม่ได้อันนี้อันนี้เก่งกาดดังกว่าฮนะพ่อสั่งพ่อสอนผมเนะลหลวงพ่อได้ยินเอ๊ะมันจะเข้าขายนั้นหรือเปล่านะ่ะคล้ายๆวันนักการเมืองเนะี่ยกรล่อนไปกล่อนมาและอีกอย่างหนึ่งเลเมื่อสามสี่ปีให้หลังหลวงพ่อไปกราบคารวะนี่แหละในช่วงเทศการข้อพันษาอย่างเนี้ยกับคณะไปหลายองค์หลวงพ่อจู่ทำหลวงพ่อบุญเมืนะ่ะไป